ผีหลอกคืออะไร อ, อาจารย์สุริพุทธสุขได้ถามว่า เ, เหตุไรคนบางคนจึงถูกผีหลอกแต่บางคนหรือส่วนมากไม่เคยถูกผีหลอกเลย ผ, ผีจะหลอกคนได้มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างพ่อฤาษีสราาก er. ัสได้ตอบว่าคนที่จะถูกผีหลอกจะต้องเป็นคนที่มีตาเป็นสื่อหรือมีประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสื่อโดยปกติที่เราเรียกกันว่าผีหลอกนั้นก็แยกออกได้เป็นหลายประเภทคือ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 ภาพที่เห็นจะเป็นภาพปกติไม่มีรูปร่างลักษณะที่น่ากลัวคือเห็นเหมือนกับเราเห็นคนธรรมดาทั่วไปแต่เนื่องจากคนทั่วไปมีอุปาทานถ้าบังเอิญไปเห็นคนที่ตายไปแล้วมาปรากฏ <c oughs> ก็พูดกันว่าเห็นผีแล้วก็เกิดความหวาดกลัวทั้งๆ ท, ที่โอปปาติกะที่เห็นนั้นบางคนก็เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรืออาจจะเป็นโอปปาติกะชั้นสูง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 คนเหล่านี้จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากโอปปาติกะทั้งหลายแต่ในกรณีอย่างนี้ย่อมขึ้นอยู่กับฐานะในทางจิตใจของมนุษย์ผู้นั้นด้วยกล่าวคือถ้าเป็นคนที่มีพื้นจิตใจไม่สูงโอปปาติกะชั้นสูงก็ไม่อยากจะมาติดต่อด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจสูงโอปปปาติกะชั้นสูงก็ยินดีที่จะมาติดต่ออหนึ่ง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 และเป็นไปตามพื้นอันต่ำสามของเขาพวกเนี้ยแม้ในบางครั้งอยากจะให้ตัวเองมีรูปร่างสวยงามแต่ให้นึกอย่างไรก็ไม่สําเร็จอีกประการหนึ่งคือพวกครึ่งๆกลางๆซึ่งหมายความว่าสันดานไม่ใช่ต่ำทั้งหมดในบางขณะก็มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีมนุษยธรรมอยู่บ้างพวกนี้เวลาจะหลอกใคร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 แต่ก็ไม่ใช่ชั้นตำ่ำคือเป็นพวกถ้าจะเปรียบเหมือนกับคนติดคุกก็ได้แก่พวกที่เหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ก็จะพ้นจากคุกแต่ในเรื่องเวลาเนี้ยท่านบอกว่าอย่าได้ถือเอาเวลาในโลกมนุษย์เป็นมาตรฐานเพราะในโลกโอปปาติกะนั้นเราพูดว่าไม่นานก็จริงแต่มันอาจจะกินเวลาในโลกมนุษย์นับเป็น 10, 10ปีหรือนับเป็นรรปีก็ได้ วันมีลมห้ยใจไม่เคยสนใจชีลิตวันทีรู้ว่าที่คิดได้ก็สายไปเสียใจเธอคิดที่มิตต้องดูอยากไกลเสียใจคนตายเธอต้องาการเป็นไปต้องรู้มิอาจไม่อาจ ใจไม่เธ่คุณคาดเกิดคนนั้นก็ปล่อยไป